เจริญพรท่านผู้มี 18 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2555 เป็นวันที่ การพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าโดย ที่สอนให้สัตว์โลกได้บรรลุถึงมรรค ของลัστ aunque es ligmas sí que amená chegando a lo descriptor eh eh eh eh eh czego de fabr0 que worries de lluv ini larosan de didn are most은 borg intellectual Kalau bien da carkewa karosan menggau donc cortbulb is we ready and go si? Un strat mar anything to build Fahrenheit, mean yTurn alt aside. musc,vas falou เสื่อมจากตายไปก็ถึงจะได้กลับขึ้นไปก็กลับลงมา มีเพียงคําสอนคือมรรค 8 ขั้นด้วยกันด้วยกันเรียกว่ามรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 มรรค คือในพระพุทธศาสนาผู้ใดที่ได้มาเกิดแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเปรียบเหมือนผู้ที่ถูก เราก็ได้อย่างมากก็รางวัลที่ 2 3, 4 5 และเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัวเท่านั้นและพอเราได้ ที่ได้มาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่เราต้อง แต่ถ้าไม่นําเอาไปขึ้นรางวัลก็ยังจะไม่ได้รับรางวัลนะการขึ้นรางวัลของของพระพุทธศาสนาการที่เราจะ เพื่อจะได้บรรลุถึงมรรค 4 ผล 4 นิพพานเนี่ยเอ่อถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ เรายังต้องทําคือเรายังต้องนําเอาวัตตฤ ผลของพระศาสนาที่จะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติในคือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีฤจุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความถูกต้อง ก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะถ้าเราไม่ปฏิบัติได้ ถ้าเป็นนักเรียนได้เต็มร้อยนักเรียนดีนักเรียนดีนี่ดีอย่างไรก็ ไม่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัตินี้ต้องทําให้ 3 ข้อด้วย 3 ข้อถึงจะได้ 1 ก็คือทาน มีอย่าเก็บเอาไว้เกินอย่าห่วงอย่าเสียดายเพราะว่าตายไปแล้วเราก็เอาไปไม่ได้เราต้องให้ก่อนที่เราตายเอาไว้อย่าหวงอย่าห่วง ถึงจะให้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นทานถ้าจะเป็นทานวัดด้วยความเต็ม แล้วข้อที่คือการรักษาศีลศีลก็เริ่ม ของผู้ที่จะปฏิบัติทําข้อ 5 ข้อที่ 2 ก็ 8 ข้อที่ 3 ก็ต้องเป็นศีล 10 ข้อที่ 4 227 ข้ออ่า ทุกข้อทําก็สอบได้ 5 ไม่ได้ 1 ไปทํา 1 ข้อทํา 2 ข้อทํา 3 ข้อทําเพิ่มๆพอเราทํา เราก็ 227 ข้อด้วยกันด้วยกันเอ่อ 3 ที่เราต้องทํา 3 3 ส่วนสมาธิและ นี่ก็เป็นข้อศรัทธาที่เราจะต้องทํากันถ้า ก็ไม่สามารถตัดกิเลสตัดตัณหาได้คิดได้ว่าไม่ดีดื่มสุราไม่ดี ที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ เรารู้ว่าการอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาไม่ดีแต่เราก็ยังอดที่จะ เรเราก็จะมีกําลังที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงความอิจฉา เรเราก็จะต้องไปชนกับรถที่เขาวิ่งมาอีกทางหนึ่งอย่างแน่นอนนะเราจึง ร่างกายจะได้อะไรก็หยุดไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่าได้มา พอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับคู่ครองของ ไม่มีเบรกที่จะหยุดกิเลสตัณหาเช่นเดียวกับคนที่ติดตัวเหลยติดสุรายาเมาติดสิ่งเสพติดทั้งหลายติด ความดีงานของเรามันจะเป็นตัว แล้วจะต้องไปชนคนที่เดินข้ามถนนเพราะว่าไม่มี <c oughs> การปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่มีกําลังนั่นเองดัง ถ้ายังยืนไม่ได้จะไปเดินจะไปวิ่งได้อย่างไรฉันใดถ้ายังเจริญสติไม่ได้จะไปทําให้จิต เป็นรอยเท้าของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดรอยเท้าของสัตว์ ถึงแม่จะไม่สามารถทำให้จิตารุดพ้นจากมักผลนิพันไปได้ผ很多แต่ถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถมีสมาธิได้ ไม่สามารถที่จะovaล subsequent ปัญญาเพื่อตัดเกรีย немножко ตันหาได้ ใครใช้ปัญญาเลยนี้ก็อย่าไปเชื่อเขาเพราะจะ ในปัจจุบันไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ให้เราอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ เหมือนกับฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟังแล้วจะไม่เกิดความ กำลังต่างเนื้อต่างตัวก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทํา เสร็จแล้วแล้วพลเราจะเริ่มเคลื่อนไหวพาให้ร่างกายเราไป คิดถึงเรื่องงานเรื่องนี้พอจะทําให้ใจนี้แกว่งไปแกว่งมาแล้ว เพราะว่าไม่สามารถสงบได้ไปตลอดเวลาว่าไม่สามารถสงบได้ไปตลอดเวลาสงบได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามกําลังของสติถ้ามี 7 วัน 7 คืน 15 วันก็มี คนที่เค้าเรียกว่าเข้าฌานกันเพราะเค้ามีที่เค้าอนุญาตให้ไปเท่านั้นถ้า นี่คือการฝึกสติที่เราควรฝึก ระลึกธรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจความคิดของเราก็จะไม่สามารถ หรือบริกรรมพุทโธใจก็จะไม่ไปที่ไหนจะอยู่กับงานที่เราให้เขา มีร่างกายมีเสียงมีอะไรก็ตาม ที่เรียกว่าสมาธิสมาธิที่ถูกต้องนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องสงบนิ่งเป็นอุเบกขาแต่ถ้าเป็น ถ้าเรานั่งแล้วเราไปเห็นอะไรนี้ท่านสอนว่าให้เราดึงกลับมาที่ใจให้กลับมา ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นการหลงทางเป็นการเดินทางผิดนะ สิ่งต้องรักษาความสงบให้อยู่ต่อไปให้ได้เราต้องทําต่อไปก็คือต้องรักษาความสงบให้อยู่ต่อไปให้ได้ถึงแม้ หรือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากขึ้นมา เพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ แต่เวลาที่เราต้องจากเขาไปหรือเขาต้องจากเราไปเราก็จะเราจะเสียใจนะถ้าปัญญาสอนใจใจก็จะหยุดความอยากนั้นได้พอหยุดความอยากนั้นกลับมาสงบเหมือนเดิมอยู่นี่คือหน้าที่ของปัญญาคือต้องคอยรักษาความสงบที่ได้ คอยดูเสมอคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้กําลังโลภกําลังโกรธอะไรหรือเปล่ากําลังอยากได้อะไรหรือเปล่ายังอยากมีอยากเป็นหรือเปล่าถ้ามีก็จะต้องใช้ปัญญาเข้ามา ระงับความอยากได้แล้วเราก็จะสามารถรักษา ถ้าทําได้แล้วก็จะบรรลุมรรค 1 ที่จะเป็นผลตามมานี่คือ ที่ไม่มีศาสนาใดไม่มีคําสอนคือได้มาพบกับ ถ้ายอมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1, 1 จะไปขึ้นรางวัลหรือไม่ถ้าเราได้มีโอกาสที่จะได้บรรลุนักผลนิพพาน ไม่เหมือนกับรางวัลที่เราได้จากการถูกลอตเตอรี่รางวัล รางวัลอย่างนี้จึงไม่เป็นไม่ได้ให้ความสุขกับๆเราจะได้ เราจะเอาวัตรนี้ไปขึ้นระงวัลใหม่ก็อยู่ที่ตัวเรา พวกเราก็จะสามารถได้รับผลอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรา จึงเพื่อมาศึกษาฝากเรื่องของการมาวัด ขอคุณพระศรีรัตนไตรและ